ในแง่ด้านทั้งหลายซึ่งเป็นส่วนย่อยที่ประกอบกันขึ้นเป็นการดำเนินชีวิต ท, ที่ถูกต้องนั้นหรือกระจายความหมายของการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนั้นออกไปให้เห็นการปฏิบัติถูกต้องแต่และแง่แต่และด้านที่เป็นส่วนย่อยของการดำเนินชีวิต ท, ที่ถูกต้องนั้นการดำเนินชีวิตนั้นมองในแง่หนึ่งก็คือการดิ Mira ้นรนต่อสู้เพื่อให้อยู่รอด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 การดำเนินชีวิตยอย่างถูกต้องได้ผลดีก็คือการรู้จักแก้ปัญหาหรือเรียกง่ายๆว่าแก้ปัญหาเป็นมองอีกแง่หนึง่งการดําเนินชีวิตของคนเราก็คือการประกอบกิจกรรมหรือการทําการต่างๆโดยเคลื่อนไหวแสดงออกเป็นพฤติกรรมทางกายบ้างทางวาจาบ้างถ้าไม่แสดงออกมาภายนอกก็ทําอยู่ภายใน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 การดำเนินชีวิตของคนเราถ้าวิเคราะห์ออกไปจะเห็นว่าเต็มไปด้วยเรื่องของการรับรู้และเสวยรสของสิ่งรู้หรือสิ่งเล้าต่างๆที่เรียกรวมว่าอารมณ์ทั้งหลายซึ่งผ่านเข้ามาหรือปรากฏทางอายตนะทั้งหคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้สิ่งต้องกายและรู้อารมณ์ในใจ หรือดูฟังดมชิมลิ้มถูกต้องสัมผัสและคิดหมายท่ า, าทีและปฏิกิริยาของบุคคลในการรับรู้อารมณ์เหล่านี้มีผลสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิต จ, จิตใจและวิถีชีวิตหรือชะตากรรมของเขาถ้าเขารับรู้ด้วยท่ า, าทีของความยินดียินร้ายหรือชอบชังวงจรของปัญหาก็จะตั้งต้น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 ในแง่ของการล่วงพนปัญหาได้แก่แก้ปัญหาเป็นก็ขอในแง่ของการทำกรรมได้แก่คิดเป็นพูดเป็นสื่อสารเป็นทำเป็นก็ขอในแง่ของการรับรู้ได้แก่ดูเป็นฟังเป็นดมเป็นลิ้มเป็นสัมผัสเป็นคิดเป็น้องอในแง่ของการเสพ หรือบริโภคได้แก่กินเป็นใช้เป็นบริโภคเป็นเสวนาคบหาเป็นการปฏิบัติถูกต้องในแง่ด้านต่างๆที่เป็นส่วนย่อยของการดำเนินชีวิตอย่างที่กล่าวมานี้รวมเรียกว่าการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องหรือการรู้จักดำเนินชีวิตพูดในสอดคล้องกับถ้อยคาที่ใช้ข้างต้นว่าดาเนินชีวิตเป็น และชีวิตที่ดาเนินอย่างนี้ได้ชื่อว่าเป็นชีวิตที่ดีงามตามนวยะแห่งพุทธธรรมบรรดาการปฏิบัติถูกต้องในแง่ด้านต่างๆเหล่านี้อาจพูดรวบรัดได้ว่าการรู้จักคิดหรือคิดเป็นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งของการดาเนินชีวิตที่ถูกต้องทั้งนี้ด้วยเหตุผลมากมายหลายประการเช่นในแง่ของการรับรู้ความคิดเป็นจุดศูนย์รวม ที่ข่าวสารข้อมูลทั้งหมดไหลมาชุมนุมเป็นที่วินิจฉัยและนาข่าวสารข้อมูลเหล่านั้นไปปรุงแต่งสร้างสรรและใช้การต่างๆในแง่ของกรรมคือในแง่ของระบบการกระทำความคิดเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การแสดงออกทางกายและวาจาที่เรียกว่าการพูดและการกระทำและเป็นศูนย์บัญชาการซึ่งกาหนดหรือสั่งบังคับ ให้พูดจาได้ให้ทำการไปตามที่คิดหมายในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างระบบทั้งสองนั้นความคิดเป็นศูนย์กลางโดยเป็นจุดประสานเชื่อมต่อระหว่างระบบการรับรู้และระบบการทำกรรมกล่าวคือเมื่อรับรู้เข้ามาโดยทางอายตนะต่างๆและเก็บรวบรวมประมวลข้อมูลข่าวสารมาคิดปรุงแต่งแล้วก็วินิจฉัยสั่งการ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 ลักษณะสำคัญที่เป็นตัวตัดสินคุณค่าของการรู้จักทมหรือทาเป็นก็คือความพอดีและในกรณีทั่วๆไปคำว่ารู้จักและคาว่าเป็นกับคำว่าพอดีเช่นในคำว่ารู้จักทมทำเป็นและทำพอดีคำว่ารู้จักและคำว่าเป็นกับคำว่าพอดีในกรณีทั่วๆไปนี้ก็มีความหมายเป็นอันเดียวกัน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 กับการดำเนินชีวิตที่ดีงามกล่าวคือมัจหรืออริยมัจที่แปลสืบๆกันมาว่ามัคคาอันประเสริฐคือทางดำเนินชีวิตที่ดีงามล้ำเลิศปราศจากพิษภัยไร้โทษนำสู่กเกษมสารและความสุขที่สมบูรณ์พุทธธรรมแสดงหลักการว่าการที่จะดำเนินชีวิตให้ถูกต้องหรือมีชีวิตที่ดีงามได้นั้น